Thank you. คมแนะนำหรือข้อคิดเตือนใจประการหนึ่งที่เรามักดได้ฟังอยู่เสมอแล้วก็บางครั้งเราก็ให้คำแนะนำนี้นะกับคนอื่นอันนั้นก็คือการอยู่กับปัจจุบั น, นเมื่อตอนสายเราก็พูดกันเรื่องนี้อยู่บ้างนะแต่คิดว่าน่าจะ อ่าพูดเพิ่มเติมเวลาพูดว่าอยู่กับปัจจุบันนะหรือได้ยินอนะ่าประโยคนี้เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรจริงมันมีความหมายได้หลายแงย่หลายมุมนะความหมายพื้นฐานที่สุดก็คือว่าให้ใจเราเนี่ยจดจ่อยอยู่กับสิ่งที่เรากาลังทาในขณนะนั้น โดยเพราะกำลังทำงานกำลังอ่านหนังสือหรือแม้แต่กำลังฟังคำบรรยายเนี่ยเพราะหากว่าถ้าใจเราไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่ว่าทำด้วยมือหรือว่าทำด้วยหัวสมองคืออ่านหรือว่าทำด้วยหูเช่นฟังเนี่ย เราก็จะใจลอยนใจลอยไปโน่ลอยไปนี่เวลาใจเราไปจดจ่อที่เสียงจงิ้งหรีดนะหรือเสียงคนพูดข้างล่างเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบันแหละบางทีเขาจะส่งจิตออกนอกเพราตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังกำลังทําอยู่บางครั้งกําลังทํารายงานกําลัง อ่านหนังสือหรือทําการบ้านนักเรียนก็อาจจะใจหวนนึกไปถึงเพื่อนที่กําลังเล่นนึกถึงเกมนะที่ติดพันก่อนที่จะมาอ่านหนังสือทําการบ้านเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบันนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการทํากิจนั้นๆเนี่ยมันก็ทําได้ไม่ดี ไม่มีสมาธิแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะในทางพุทธศาสนาก็ไม่ได้เจาะ จ, จงเฉพาะว่าเวลาเราทำกิดการงานหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวแม้กระทั่งในสิ่งที่มันเป็นเรื่องสา ม, มัญในชีวิตประจำวันเช่นตั้งแต่ล้างหน้าถูฟันหรือว่าเดินขึ้นบันได รวมไปถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อนะใส่กางเกงนะในสำหรับคาราวาเนี่ยใจก็ควรอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําด้วยนะอันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อาจจะมองข้ามไปไปคิดว่าจดจ่ออยู่กับงานจดจ่ออยู่กับการขับรถหรือว่าใจอยู่กับการเรียนการอ่านการฟังเท่านั้นก็พอ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องหมายถึงการที่เรามีใจอยู่กับงานต่างๆที่มันเป็นอิริยาบถหรือเป็นกิจการงานเล็กๆน้อยๆซึ่งเราจะเชื่อไม่สลักสาคัญอันนี้บางทีท่านก็เรียกว่าทาความรู้สึกตัวอย่างพุเจ้าก็ตัสว่าให้ทำความรู้สึกตั ว, กกต ว, นน ว, ตวเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเวลามองข้างหน้าเหลียวซ้ายแลขวาเวลา ครองจิวอนสภายสังคตินะหรือว่าสภายบาดเวลากินดื่ม เ, เคี้ยวลิมเวลาคู่ขาเหยียดขานะท่านก็เรียกว่าให้ทำความรู้สึกตัวไปทุกเรื่องแม้กระทั่งเวลาอุจจาระปัสสวะเวลายืนเดินนั่งหลับนะพูดคุยนิ่งนะ อันนี้นะ่มันทําอย่างนั้นได้เนี่ยก็เพราะว่าใจเราอยู่กับปัจจุบันหรือว่าใจเราอยู่กับสิ่งที่ทําความหมายอีกประการหนึ่งนะซึ่งมันช่วยหรือเป็นประโยชน์กับเรามากนะก็คือว่าเวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อใจเราอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยเราก็วางสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เอาไว้ก่อนหลายคนทํางานแล้วมีความเครียดนะไม่ใช่เพียงเพราว่ะใจลอยไปโน่ลอยไปนี่นะใจลอยไปโน่ลอยไปนี่ก็อาจจะไม่ทำให้เครียดนะอาจจะเพลินในซ้ําเพราะว่าอาจจะกําลังฝันกลางวันแต่ข้อเสียคือทําทงานไม่ได้เป็นเรื่องเป็นรา่าเท่าไหร่แต่นั่นก็ไม่ถึงไม่ทันถึงกระทำให้คนเครียดเครียดก็เพราะอะไรเพราะไปคิดว่าหรือพวงว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะ เสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรหรือบางทีก็คิดถึงงานที่ค้างคาอยู่อีกสิบชิ้นที่รออยู่ก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลผู้คนเนี่ยเวลาทํางานแล้วเครียดเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เพราะใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจไปคิดถึงจุดหมายปลายทางข้างหน้าไปคิดถึงผลสำเร็จไปึกไปคิดถึงความคาดหวังของผู้คนของเจ้านาย ตรงนี้แหละที่ทำให้คนเครียดแต่ถ้าว่ารอรองเนี่ยเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันนะเรื่องข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเอาไว้ก่อนงานกี่ชิ้นนะยังคาอยู่ก็ช่างมันช่างมันในที่นี้หมายคาไม่ไม่ใส่ใจนะแต่ว่าในเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาที่จะทำก็ไม่เก็บเอามารกหัวเอามาสร้างความหนักอกหนักใจหรือบางที ทำไปก็ไปพววงถึงลูกไปพววงถึงคนนั้นคนนี้อันนี้มันก็ทําให้เครียดเหมือนกันการอยู่กับปัจจุบันคือว่าใจเราอยู่กับงานที่กําลังทําอยู่แล้วขอให้ทำตรงนั้นให้ดีมันก็จะออกมาดีเองอย่างที่เราพูดว่าเนี่ยอนาคตมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีอนาคตหรือผลที่ตามมามันก็ย่อมดี อันนี้เป็นวิธีการทำงานที่ช่วยทำให้ลดความเครียดได้มันมีนักปีนเขาคนหนึ่งซึ่งขึ้นไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดในทุกทวีมาแล้วรวมทั้งเอเวอเรสต์ด้วยเนี่ยชูบร์สเครกบี้เนี่ยเขาเคยพูดว่าทุกอย่างเนี่ยมักดูน่ากลัวกว่าความเป็นจริงเสมอนะเมื่อมองไปที่ไกลเวลาเขาอยู่บนเชิงเขาเนี่ยมองไปที่ยอดเขาที่ซึ่งจะต้องปีนไม่ไ้ถึงเนี่ย แค่เห็นยอดเขาก็พลอยทำให้เกิดความรู้สึกท้อแล้วรู้สึกมันชันมันอันตรายนะอีกเป็นเดือนกว่าจะถึงแต่ประสบการณ์การปีนเขานะ 10-20 ปีเขาพบว่าวิธีปีนเขาที่ง่ายสุดก็คือสนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวถ้าเดินไม่หยุดจะถึงแน่เพื่อง่ายคือว่าวางจุดหมายไว้ก่อนนะแล้วก็อยู่กับแต่ละก้าวที่เดินนะ ขอให้มั่นใจหรือว่าขอใเพียงแค่มั่นใจว่าอพื้นที่เราเหยียบย่างเนี่ยมันมั่นคงนะปลอดภัยในแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยถ้าเดินไม่อยู่แต่ถึงแน่นะแต่ก็ต้องวงเล่าว่าเดินบนเส้นทางที่ถูกนะถ้าเป็นเส้นทางที่ผิดเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องการวางแผนวางแผนมาดีพอลงมือเดินอ่ะก็อยู่กับปัจจุบันสุกง่ายๆก็ ว่าจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่กับปัจจุบันถ้าเดินไม่หยุดเนี่ยมันถึงแน่อันนี้ก็เรียกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นจุดหมายปลายทางมันไกลมันยากมันลำบากก็ท้อแล้วแล้วก็เลยไม่ต้องทำอะไรเอาแต่เจ่าจุกพอรู้สึกว่ามันเกินเกินความสามารถก็ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์อันนี้เรียกว่า ไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะเพราะหมดเสียเวลาอยู่กับความท้อแท้ก็เลยทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้เนี่ยมันต้องวางวางไอจุดหมายข้างหน้าเอาไว้ก่อนแล้วเราจะสามารถใช้สักยภาพที่เรามีให้เต็มที่ได้ก็เหมือนคนที่เตะลูกฟุตบอล น, นะเตะลูกโทษเนี่ยนะ ฟุตบอลนัดสำคัญเนี่ยมันจะต้องอาศัยการวัดดวงด้วยการเตะลูกโทษก็เพราะว่าคนที่ถ้าใจไม่อยู่กับลูกบอล น, นะใจไปคิดถึงว่าถ้าเตะผิดจะเกิดอะไรขึ้นคนทั้งสนามจะโหหรือว่าคนดูเป็นล้านๆเนี่ยนะจะจะโหเนี่ยหรือว่าทีมจะตกรอบนะจะเสียหน้านะเพราะเตะไม่เข้าเนี่ย พอคิดแบบนี้นะมันเตะไม่เข้าจริงนะอันนี้เรียกว่าพอใจไม่อยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าใครเนี่ยที่เตะเนี่ยเวลาเตะบอลเนี่ยเตะลูกโทษลืมนะลืมเรื่องว่าเตะเข้าไม่เข้าเตะไม่เข้าจะเป็นอย่างไรนะลืมไปเลยเรียกว่าลืมจุดหมายปลายทางไว้ก่อนอยู่กับปัจจุบันก็มักจะมีสมาธิแล้วก็ไอความสามารถที่มีมันก็ามาใช้ เพราะไม่มีอาการเกรงนะ็งก็มักจะเตะ เ, เข้านะเพราะว่าปกติมันเป็นเรื่องวัดใจมากกว่าเตะบอลนะลูกโทษเนี่ยมันวัดใจมากกว่าวัดความสามารถความสามารถก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่อยู่ที่ใจมากกว่าและการที่ใจเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ว่าอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าเพราะถ้าไม่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเกรงจะกลัวจะวิตกเพราะนั้นเราบอกว่าทำปัจจุบันดีที่สุดเนี่ยนะ มันก็หมายถึงว่านอกจากเอาใจมาอยู่กับสิ่งที่กําลังทําแล้วนะก็ยังรวมถึงว่าวางวางสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะวางผลสําเร็จนะหรือวางความคาดหวังเอาไว้ก่อนอยู่กับปัจจุบันเนี่ยยังเป็นคําแนะนําที่ใช้กับเวลาเราเจอเหตุร้ายนะไม่ใช่เฉพาะเวลาทํางานเช่นเวลาเจ็บป่วยนะเวลาสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง นะถ้าใจไม่อยู่กับปัจจุบันเป็นยังไงนะมันก็จะนึกถึงเงินที่หายไปซึ่งเป็นอดีตไปแล้วก็จะเครียดก็จะเสียใจนะหรือว่าเจ็บป่วยแล้วใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะใจก็จะนึกไปถึงเหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่ามันจะลามนะจนกระทั่งต้องอต้องผ่าตัดใหญ่ไหม หลายคนเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะแต่เพราะการคาดการปรุงแต่งอนาคตไปในทางที่เลวร้ายพอหมอพอเป็นมะเร็งเนี่ยนะน่าจะเป็นมะเร็งระยะแรกมะเร็งที่สองระยะที่สองเนี่ยก็สุดเลยนะหมดอะไรตายอยากกับชีวิตกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีชื่อชื่อวาไม่ใช่เพราะมะเร็งไม่ใช่เพราะมะเร็งมาเล่นงานนะมะเร็งมันยังไม่ทันเล่นงานขนาดนั้นแต่ว่าใจเนี่ย นึกไปถึงวันข้างหน้าที่มะเร็งมะลุกรามระยะสุดท้ายนะต้องนอนนะมีสายระโยงองระยางนะนึกภาพของคนที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพอนึกแบบนี้ก็ใจเสียถามว่ามันเกิดขึ้นยังยังไม่ได้เกิดเลยและอาจจะไม่เกิดก็ได้นะแต่ไปแล้วนะใจเนี่ยอย่างนี้เราไม่อยู่กับปัจจุบันนะ อันนี้เรีกว่าไปอยู่กับอนาคตหรือไม่ก็ไปจมอยู่กับอดีตไปนึกถึงเงินที่เสียไปนึกถึงรถที่ถูกขโมยไปนึกอย่างนึกอย่อย่างนั้นแหละนะทาง ท, างที่ตัวเองก็ยังมีอะไรต่ออะไรอยู่เยอะนะมันไม่ได้ให้จนลงเลยนะก็ยังกินอิ่มนอนอุ่นได้นะอันนี้เรียกว่า ถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันนะมันก็จะไม่ไม่เครียดไม่ทุกข์มากนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เราสาธยายนะบทส่วนเมื่อสักครู่เนี่ยบุคคลไม่ควรตามพิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพโหวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะถ้าคืนทําอย่างนั้นก็เลือดใจไม่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันยังหมายความว่ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพาย คนที่โวยวายตีโพิพายเพราะความเจ็บป่วยเพราะว่าได้งานที่ยากนะอันนี้เรียกว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบันเหมือนกันนะคือใจมันไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเสนหนึ่งพรอไปคิดไปติดอยู่คำว่าน่าจะหรือไม่น่าจะฉันไม่น่าจะได้งานชิ้นนี้เลยหรือว่าเจ้านายไม่น่าจะเอางานชิ้นนี้ม่ให้ฉันเลยนะคนอื่นทำน้อยกว่าฉันเนี่ยทาไมฉัน ได้มากอย่างนี้นะฉันน่าจะได้เท่าคนอื่นอันนี่ก็เรียกว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วเพราะมันคิดแต่คำว่าน่าจะาหรือไม่น่าจะคำว่าน่าจะหรือไม่น่าจะเนี่ยมันมีประโยชน์นะถ้าเราใช้ให้ถูกเวล่ำเวลาเช่นเวลาเราจะวางแผนเราคิดว่าอะไรที่ควรทำอะไรไม่ควรทำแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะ ไปติดอยคว่าน่าจะหรือไม่น่าจะนี่มันทุกข์นะขับรถวันอาทิตย์นะไปกรุงเทพนะแทนที่รถมันจะโล่งนะมันติดนะก็เป็นทุกข์นะพอะรพเพราะคิดว่ามันน่าจะโล่งนะถนนนะมันไม่น่ารถไม่น่าจะติดเลยมีบางคนก็เป็นทุกข์นะกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วก็ติดอีู่คำว่าน่าจะ มีแม่คนหนึ่งเขาเล่าว่าลูกชายอายุสิบห้า 25, ก็เป็นเด็กเรียนดีนมาขอแม่ไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียแม่ก็เห็นว่าลูกมีความรับผิดชอบดีก็ให้ลูกไปเรียนเพราะคิดว่าอินเดียมันก็เป็นประเทศที่นะอย่างน้อยก็ได้ภาษาแล้วก็ได้ความอดทนอาจจะได้เรื่องจิตวิญญาเรื่องศาสนาด้วย บอกว่าลูกไปอินเดียได้แค่ไม่กี่เดือนก็ประสบอุบัติเหตุจมน้ําตายว่ายน้ำเลยแล้วก็จมน้ําตายแม่เสียใจยมากเสียใจยไม่พอโทษตัวเองด้วยนะว่าฉันน่าจะห้ามเขานะฉันไม่น่าจะอนุญาตให้ลูกไปเลยไอ้คาว่าน่าจะห้ามหรือว่าไม่น่าจะอนุญาตให้ลูกไปเนี่ยมันเป็นมันเป็นคําที่ทิ่มแทงนะแม่คนนี้มากจนเรียกว่าแทบจะ อยากจะตายไปจากโลกนี้เพราะทนความรู้สึกผิดไม่ได้กว่าจะหลุดจากความรู้สึกนี้ไปก็ใช้เวลานานหลายคนทำงานมีความทุกข์เนี่ยเพราะว่าไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ไม่ยอมรับงานที่ได้รับมอบหมายเพราะไปติดอยู่ควาว่าน่าจะหรือไม่น่าจะถ้าใจเราไป ติดอยู่ตรงนั้นน่ะเรียกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วนะเรียกว่าไม่ได้ทำปัจจุบันที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราจะทำปัจจุบันที่สุดเนี่ยก็ต้องยอมรับมาแล้วก็ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็เดินหน้าสถานเดียวไม่ต้องไปคิดถึงว่าข้างหลังมันเป็นยังไงบางคนก็ติดอยู่กับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นทำให้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มั่นใจในการทำงานใจมันไปไปพะวงกับเหตุการณ์ในอดีต อันนี้ก็รวมถึงความสูญเสียด้วยก็หวนคิดถึงเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ทำให้ไปต่อไม่ได้มีคนหนึ่งก็พูดไว้ดีนะบอกว่าธรรมชาติให้ตาเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพื่อว่าจะให้เรามองไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าทำไมธรรมชาติไม่ให้ตาเราไว้ข้างหลังนะก็เพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปหวนนะคิดหรือมองสิ่งที่มันผ่านไปแล้วธรรมชาติให้ตา ไว้ข้างหน้าเพื่อที่เราจะได้ได้เดินต่อไปข้างหน้าแต่ขนาดธรรมชาติให้ตาอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ใจมึงหวงคิดถึงข้างหลังนะก็เลยทำให้ไปต่อไม่ได้นะเสียใจอะไรนะนั่นอยู่กับปัจจุบันคือการที่เราวางอาดีตนะแล้วก็ไม่พวงกับอนาคตมันก็ทำให้เราสามารถที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆที่ เกิดขึ้นได้เพราะเราจะเริ่มยอมรับมันได้ง่ายขึ้นไม่โวยวายไม่ตีโพติภายคนที่เจ็บป่วยบางทีถึงขั้นพิการเนี่ยหลายคนเนี่ยทุกข์เพราะว่าไปนึกถึงสมัยที่ตัวเองเนี่ยยังเป็นปกติมีอวัยวะครบสาบสองไปเที่ยวเดินเหินไปไหนมาไหนได้คิดถึงเหตุการณ์ที่มีความสุขในอดีตแล้วมาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน มันก็เลยทำให้อึดอัดขัดเคืองใจกับสภาพที่เป็นอยู่แ้ะเราจะหลุดจากสภาวะเช่นนั้นได้ก็เพราะเรายอมรับปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้าและทำเอาสิ่งที่มีอยู่ทำให้มันดีที่สุดนะอันนี้เรียกว่าทาปัจจุบันให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันยังหมายถึงว่าชื่นชมสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย นะเรามีอะไรอยู่ตอนนี้นะนะเราก็พอใจเห็นคุณค่านะคนจำนวนมากเนี่ยไปทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองไม่มีไอ้สิ่งที่มีไม่ชื่นชมนะไม่เห็นคุณค่าเด็กเด็กนะหลายคนเนี่ยมีของเล่นสารพัดมีทั้งเครื่องดนตรีนาน า, นานชนิดนะกีตาร์ครุย กรองมีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์มีโนต้ตบุ๊กแต่ก็ไม่มีความสุขเพราะว่าตัวเองยังไม่มี iPad นะใจใจเนี่ยมันไปจดจ่อยอยู่กับสิ่งที่ไม่มีลืมหรือมองข้ามสิ่งที่มีไปอันนี้ก็รวมไปถึงว่าไปจดจ่อยอยู่กับสิ่งที่สูญเสียไปแล้วด้วยนะก็เลยทําให้ไม่ ไม่ชื่นชมสิ่งที่มีอยู่ไม่เห็นคุณค่าของมันมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกโกงไปหกสิบล้านนะแเพิ่มเป็นชาวไต้หวันแกก็เสียใจยอยู่พักใหญ่นะแต่ว่าแค่สองสวันเท่านั้นะแะแกก็ยิ้มได้เพื่อนก็ถามว่าทำไมถึงยิ้มได้ได้เงินคืเนเหรอหรือว่าอ่าเป็นเพราะอะไรเขาก็ตอบว่าก็มาเนึกงได้ว่า นะทุกวันนี้ก็ยังอยู่สบายนะยังมีบ้านที่อยู่สบายยังมีอาหารที่อร่อยกินเงิ น, ะนงที่หายไปไม่ได้ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงไปเลยหรือว่ายากไร้กว่าเดิมลำบากกว่าเดิมนะพอคิดแบบนี้ได้เธอก็เออกลับมามีความสุข มีความสุขเพราะว่าไม่สนใจสิ่งที่สูญไปแล้วนะแต่ว่าหันมาชื่นชมสิ่งที่มีอยู่นะอันนี้ก็คือความหมายนี้การอยู่กับปัจจุบันคือการชื่นชมการเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่คนเราไม่ว่าจะเจออะไรนะหรือแม้ว่าจะพร่องแค่ไหนจะขาดแคลนเพียงใดนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะสนใจให้คุณค่ากับสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ทุกข์เท่าไหร่นะันมีผู้หญิงไต้หวันคนหนึ่ง อายุสาสิบปีนะเธอพิการสมองเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นพูดไม่ได้ด้วยต้องใช้วิธีการสื่อสารด้วยการเขียนก็ต้องนับถือนะแม่ของเธอที่ให้เธอถือกำเนิดมาเพราะบางคนเนี่ยเห็นลูกพิการสมองก็ก็จัดการนะกลัวลูกจะลำบากแต่ว่าแม่ก็ให้เธอเคลอดออกมา แล้เธอก็สามารถจะใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยจนกระทั่งเรียนจบปริญญาเอกมาหาวิทยาลัยที่มีชื่อของอเมริกาเนะ CLA เธอก็ได้เชิญให้ไปบรรยายตามที่ต่างๆไปให้กำลังใจนะคราวหนึ่งก็ไปพูดให้กับนักเรียนมัธยมพูดจบ ก, ก็มีเด็กคนหนึ่งถามว่าคุณเกิดมาพิการเนี่ยคุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไรมองตัวเองอย่างไร ห้องประชุมก็เงียบกริบเลยนะเพราะว่าเป็นคำถามที่ปกติเขาไม่ถามวททีิการมันตรงไปแต่ว่าหวังเมยลิงเนี่ยชื่อผู้หญิงคนเนี้เธอยิ้มนะแล้วเธอก็หันไปเขียนที่กระดานเธอพูดไม่ได้เธอก็เขียนฉันมองตัวเองอย่างไรหนึ่งฉันเป็นคนน่ารักสองฉันมีขาที่สวยงามสามพ่อแม่รักฉันสี่พระเจ้าก็รักฉันเธอเป็นคริสนะห้า ฉันมีแมวที่น่ารัก6ฉันเขียนหนังสือได้วาดรูปได้แต่ที่คนประทับใจข้อที่7ซึ่งเป็นการรวบรวมนะทัศนคติมุมมองหรือเคล็ดลับของเธอที่ทําให้เธอมีความสุขก็คือนะฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีนะฉันไม่มองสิ่งที่ฉันไม่มีหรือฉันไม่มองสิ่งที่ฉันขาดอันนี้คือความหมายขอการอยู่กับปัจจุบันนะชื่นชมสิ่งที่มีไอ้สิ่งที่ไม่มี นะก็ไม่เอามาไม่เอาม า, าไม่สนใจนะไม่เอามาทิมแทงตัวเองไอ้สิ่งที่หายไปแล้วก็ไม่เอามาไอ้สิ่งที่สูญไปแล้วก็ไม่เอามาสร้างความหนักอกหนักใจหรือว่าทําให้เสียใจทุกครั้งที่เราเสียใจเพราะว่าเสียดายของที่หายไปหรืออะไรนะ สิ่งที่สูญเสียไปเนี่ยน่งแสงว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะหรือทุกครั้งที่เราพะวงห่วงกังวลกับนั่นกับนี่เนี่ยน่าแสงว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าเราไม่หลไปอดีตเราก็ใจก็ไปปักตึงอยู่อนาคตนั้นถ้าพิจารณา ด, ดูดีนะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันมีความหมายที่หลายแง่แล้วก็ลึกซึ้งนะซึ่งถ้าเราทาได้เนี่ยมันก็ทาให้เรา ทำงานก็ทำอย่างมีความสุขเวลาเราเจอเหตุร้ายเราก็สามารถจะรักษาใจให้ไม่ทุกข์นะหรือสามารถที่จะเป็นปกติสุขได้อยู่กับปัจจุบันก็ยังมีความหมายรวมหนึ่งขั้นว่าเนี่ยไม่ผัดผ่อนนะสิ่งสำคัญเนี่ยก็ไม่ผัดผ่อนไปวันข้างหน้าแต่ว่าทำเสียแต่วันนี้นะอันนี้แหละคือความหมายหนึ่งว่าอยู่กับปัจจุบันหรือทาปัจจุบันให้ดีที่สุด อย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยนะความเพียรไปกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแมพรุ่งนี้ความเพียรนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำต้องทำไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องผัดผ่อนไปวันพรุ่งนี้อะไรที่ควรทำก็ทำเสียแต่วันนี้นะถ้าผัดผ่อนไปเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่ายัางไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดโนะดยเพราะสิ่งนี้มันเป็น คุณค่ามีความสำคัญนะจริงๆถ้ามองให้ลึกนะการอยู่กับปัจจุบันยังหมายถึงว่าการที่เราเปิดใจรับรู้นะสิ่งที่มีสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวในปัจจุบันด้วยซึ่งจะว่าไปเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลามีเพื่อนคนหนึง่งนะแก เป็นคนที่ขยันทํางานอยู่ออกับคอมพิวเตอร์ทั้งวันถ้ามีอยู่คอมพิวเตอร์ก็ก็นั่งคิดวางแผนต่างๆมีคราหนึง่งไส้เลื่อนไส้เลื่อนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลพาพักฟื้นโรงพยาบาลวันสองวันก็ต้องมาพักฟื้นที่บ้านเป็นครั้งแรกที่ต้องหยุดงานเพราะว่าทําอะไรแทบไม่ค่อยได้เลยพักฟื้นที่บ้านอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ต้องวางงานการทั้งหลายลง มีบ่ายวันหนึ่งก็ไปนั่งอยู่ริมระเบียงนั่งสักพักก็ดิงเสียงร้องของนกที่แรกก็ตัวหนึ่งก่อนต่อหลังก็ตัวที่สองตัวที่สามก็ร้องประสานเสียงกันไพเราะมากเขาฟังก็รู้สึกว่ามันไพเราะจกนกระทั่งนะ้นําตารื้นเลยคือประทับใจมากเสร็จแล้วเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะ เขาอยู่บ้านเนี่ยมาตั้งแต่ลูกเขายัางเด็กนะเรียนอนุบาลตอนนี้ลูกเขาก็ใกล้จบมหาลาัยแล้วก็คือเกือบยี่สิบปีแล้วทำไมเ็เพิ่งได้ยินเสียงนกร้องเป็นครั้งแรกนกมันเพิ่งร้องหรือเปล่านะนกมันไม่ได้เพิ่งร้องนกมันร้องทุกวันแต่ทำไมเขาไม่ได้ยินทาไมเพิ่งมาได้ยินวันนี้นะเขาบอกคตอบว่เป็นเพราะใจเขารอยใจเขาคิดน่นคิดนี่ใจเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่ แต่ว่าไอ้วันนั้นเนี่ยใจเขาอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าไม่มีงานที่จะทําได้นะใจเขาพอเ้าใจเขาอยู่กับปัจจุบันก็เปิดรับนะเสียงนกนะที่อยู่รอบตัวก็เลยถึงเกิดความประทับใจแล้วเขาก็บอกว่าโอ้จริงๆความสุขนี่มันอยู่รอบตัวเราเองนี่เองนะเราไปเที่ยวความสุขนี่มันต้องไปหาข้างหน้าต้องไปที่โน่นที่นี่นะที่จริงมันมีอยู่รอบตัวเรา แต่ทำไมถึงไม่รู้ไม่รับรู้เพราะว่าใจเนี่ยมันไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างถ้าเปิดใจนะให้เป็นปัจจุบันหรืออยู่กับปัจจุบันก็คงไม่ต่างจากแก้วน้ําที่มันโล่งนะที่มันที่มันว่างอนะแก้วน้ำที่มันว่างเนี่ยเติมอะไรก็เต็มนะเสียงร้องของนกนะหรือว่าความสงบอความเย็นสบายที่ลมพัดมากระทบเนี่ย หรือว่าทองฟ้าที่สายกระจ่างผู้เนี่ยมันเป็นความสวยงามที่สามารถจะรับรู้ชื่นชมได้ในทุกขณะแต่เราก็มองข้ามไปเพราะใจเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเคยไปเยี่ยมท่านติณธันนะที่ปักช่องอาสมหมู่บ้านพรมท่านก็มอบที่ระลึกให้เป็ น, เ ป, นเป็นกระดาษใส่กรอบนะ แล้วก็เขียนด้วยผู้กันเป็นภาษาอังกฤษ เ, เขียน็นภาษาอังกฤษว่า this moment is full of wonders หมายความว่าเวลาขณะนี้นะมันเต็มไปด้วยความอัศจรรย์อัศจรรย์นี่มีเป็นพระหูพทนะก็คือว่าหลายอย่างแต่คนเราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นรับรู้ถึงความอัศจรรย์เพราะใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไงถ้าใจอยู่กับปัจจุบันอยู่แต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ย ก็จะเห็นในความอศัศจรรย์รวมทั้งเห็นธรรมด้วยนะถ้าจใจอยู่กับปัจจุบันก็เห็นธรรมที่เกิดขึ้นในการเจริญสติในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันในที่นี้ก็หมายถึงกายกับใจหรือสิ่งที่เกิดกับกายกับใจจะไม่เน้นสิ่งที่อยู่ข้างนอกนะที่เราสอนเมื่อสักครู่เนี่ยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนเงันคอนแคลนขอควรพ่อควรอาการเช่นนั้นไว้ไทำที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ทำที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราจากต้นไม้จากใบไม้ที่ร่วงหล่นจากดอกบัวที่บานแล้วก็เหี่ยวเฉาเท่านั้นนะแต่มายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจด้วยความสุขความสบายความปวดความเมื่อยนี่ก็ถือว่าเป็นทำที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ความโกรธความหงุดหงิดความรําคาญอันนี้ก็เป็นธรรมในปัจจุบันนะซึ่งถ้าเห็นธรรมอย่างเฉพาะหน้าเหล่านี้อย่างแกนแจ้งเนี่ยนะมันยิ่งทําให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าแต่ก็ต้องขีดเส้นใต้นะว่าเห็นนะไม่ใช่เข้าไปเป็นการอยู่กับปัจจุบันคือการเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่ละขณะไม่ว่าเกิดกับกายกับใจหรือเกิดกับรอบตัวเรา ถ้าเพ่งพิจารณาให้ดีก็เห็นธรรมได้ั้นปัจจุบันก็เต็มไปด้วยธรรมะที่สามารถจะเปิดใจของเราให้ให้ให้มีปัญญาฉะนั้นเนี่ยคาว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันมีความหมายตั้งแต่พื้นฐานง่ายๆนะใช้กับการทำงานทำการในชีวิตประ จ, จำวันจนกระทั่งไปถึงการภาวนานะเพื่อการหลุดพ้นโดยซ้ำฉนะัะ้นเพาเข้าใจนะการอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ ลองทดลองเอาไปใช้นะในแต่ละกรณีนะก็เชื่อว่าเวลาทํางานแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขเวลาเราเจออะไรมากระทบนะเจอเหตุร้ายความพัดผ่าวสูญเสียหรือว่าความเจ็บความป่วยนะเราก็สามารถจะรักษาใจให้เป็นปกติได้สุดท้ายเมื่อเรามาใช้กับการภาวนาก็จะทําทให้เราเห็นสัจธรรมได้เหมือนกันคํานี้ก็พูดกับทุนนี้นะครับพร